สังฆ ค, คุณประการที่หอาหุเนยโยข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องสังฆ ค, คุณมาแล้วสี่บทและทั้งสี่บทนั้นเป็นคุณสมบัติประจำตัวของพระอริยบุคคลทุกองค์ส่วนสังฆ ค, คุณอีกห้าบทที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นกล่าวคืออาหุเนยโยเป็นผู้ควรแก่ของที่นำมาบูชา ข้อนี้หมายความว่าใครจะนำปัจจัยสี่หรือเครื่องสักการะอันใดก็ตามมาถวายพระอริยบุคคลนั้นท่านเป็นบุคคลที่สมควรจะรับสิ่งของที่เขานำมาถวายทุกอย่างท้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเป็นผู้ปฏิบัติสมควร สังฆคุณประการที่6ปาหูเนยโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับข้อนี้หมายความว่าพระอริยบุคคลเมื่อไปหาใครซึ่งจะไปด้วยเหตุใดก็าตามหรือจะมีใครนิมนต์ท่านไปด้วยเหตุอันใดก็าตามท่านเป็นบุคคลสมควรที่จะาของบ้านจะปึ่งให้การต้อนรับด้วยการแสดงความเคารพนับถือหรือด้วยปัจจัยสีหรือด้วยเครื่องสักการะต่างๆ หรืออีกในาย่าหนึ่งท่านเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับอาคัรตุกาศทานคือสิ่งของที่เตรียมไว้สำหรับการบริจาคให้แก่ผู้ที่เป็นอาคัรตุกะสังคคุณประการที่เจ็ทักกินเนโยเป็นผู้ควรแก่ของทําบุญทักกินาในที่นี้ หมายถึงสิ่งของที่เจ้าของได้เตรียมเอาไว้สําหรับทําบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือหมายถึงสิ่งของใดๆก็ได้ที่เจ้าของได้ตั้งใจจะบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งจะอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วหรือจะทําเพื่อตัวเองก็ตามพระอริยบุคคลเป็นผู้สมควรที่จะรับของที่เตรียมไว้เพื่อการกุศลเช่นนี้ สังฆคุณประการที่8อันเชลีกะรานิโยเป็นผู้ควรแก่การยกมือไหว้ซึ่งหมายความว่าพระอรยิยบุคคลทุกองค์เป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับการเคารพกราบไหว้